ภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค้าแล้วก็ไปจําพรรษาตามมิตรสหายตามบุคคลที่เคยพบเห็นกันตามบุคคลที่เคยคบหากันโดยรอบนครภัยาลีส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าจําพระวัสานี่นะคือจําพรรษาณหมู่บ้านเวลวะขามนั่นเองอันนี้เป็นพรรษาสุดท้ายของการจำพรรษาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เหตุผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยไปจำพรรษารอบๆเมืองไทยสาลีก็มีอยู่ว่าพระองค์มีพุทธประสงค์จะให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยจำพรรษาอยู่อย่างผาสุกเพราะว่าเสนาสนะคือกุฏิที่พักอาศัยในเวลุวะคามนั้นอ่ะไม่เพียงพอแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคือภิกษุเนี่ยเยอะมากปริมาณหลายหมื่นเนี่ยนะก็มาจําหมู่บ้านเดียวก็ไม่ไหวแล้ะดีไม่ดีพระอาจจะมากกว่าชาวบ้านซะอีกอย่างเงี้ยนะอยู่กันยังไงกันเนี่ย แล้วก็พิกษาก็มีน้อยส่วนรอบกรุงเวสาลีนั้นเสนาสนะก็มีมากพิกษาอาหารทั้งหลายก็หาได้ง่ายพระองค์ก็เลยตรัสอย่างนี้พระองค์นั้นได้ดำริอีกว่าเรานี้อยู่ได้เพียงสิเดือนก็จักปรินิพานวันเข้าพรรษานี่เป็นวันอะไวันเพ็ญเดือน8ดใช่ไหมวันเพ็ญเดือน8ดแล้วพระองค์ปรินิพานในวันเพ็ญเดือนห วันเพ็ญเดือนแปดเดือนเก้าแปดเก้าสิบเป็นต้นเนี่ยนะก็ไล่ไปได้่จนถึงวันเพ็ญเดือนหกก็เวลาสิเดือนพอดีถัดจากนั้นอีกสิบเดือนพระองค์ก็จะปรินิพานภิกษุเหล่านี้เนี่ยจะไปไกลก็ไม่อาจเห็นเราในเวลาปรินิพานจริงๆแล้วพระองค์ให้พระภิกษุจาริกไปที่ไกลก็ได้แต่พระองค์ไม่ให้ไปเดี๋ยวจะไม่ได้พบเจอกันเนี่ยนะเพราะว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าตอนที่ปรินิพานเดี๋ยวท่านบางท่านที่ยัง ่เป็นปุถุชนเป็นต้นเนี่ยจะเสียใจเมื่อเป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็จะเกิดความเดือดร้อนใจว่าพระศาสดาเมื่อปรินิพานก็ไม่ประทานแม้เพียงสติแก่เราถ้าเรารู้เสียก่อนก็จะไม่พึงอยู่ไกลอย่างนี้เนี่ยนะครับภิกษุก็จะไม่จาริกบางทีเนี่ยบางองค์จาริกไปเป็นพันกิโลเนี่ยนะนี่ถ้าเป็นพันกิโลแล้วังไงจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าตอนปรินิพานท่านเหล่านั้นก็จะเสียใจ พ, พระองค์ก็ไม่ให้ภิกษุทั้งหลายไปไกลก็อยู่รอบๆเมืองภยัยาลีนี่แหละ พิสูจทั้งหลายก็อยู่รอบเมืองไทยาลีแล้วก็มาฟังธรรมได้เดือนละแปดครั้งนะเดือนละแปดครั้งก็แสดงว่าทุกกี่วันทุกวันพระถ้าทุกวันพระเดือนหนึ่งมีวันพระในเดือนหนึ่งมีกี่ครั้งสี่ครั้งก็แสดงว่ามาฟังธรรมทุกห้าวันนะนะฟังธรรมทุกๆุห้าวันแล้วก็ฟังมากด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะได้รับโอวาทเดือนละแปดครั้งเดือนละแปดครั้งคูณสามเดือนเข้าไปเท่าไหร่ นะฟังทำเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ครั้งนะก็โอ้ได้ฟังทำเยอะนะเนี่ยนีเหตุการณ์ที่พระองค์ตอนจำพรรษาเป็นอย่างไรบ้างในหน้าสอง้อเจ็ดสิบสามครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าจำพระพรรษาแล้วก็เกิดพระอาพาธอย่างแรงกล้าป่วยมากเลยนะมีเวทนาหนักเป็นไปเวทนาความเจ็บปวดเนี่ย แค่ไหนบอกปางตายเหมือนกันครัยเกิดวัชนิดใกล้สิ้นพระชนเหมือนนเป็นความเจ็บปวดปางตายเนี่ยนะก็อย่างว่านะพราะรูปทั้งหลายรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกใช่ไหมเพราะมีรูปรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาพันถ้ามีรูปรูปที่วิบัติทั้งหลายเวทนาก็เจ็บปวดพันพระพุทธเจ้าก็เจ็บปวดปวดแค่ไหนบอกปวดเกือบตายเหมือนนเะปางตายเนี่ยและเฉียดเฉียดตายนั่นแหละ กล่าวกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้นมิได้ทรงพระกวนกวายพระองค์ไม่กวนกวายอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์นี่อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะปวดทางร่างกายก็จริงแต่พระองค์ไม่ได้ปวดทางจิตใจเนี่ยนะร่างกายนี่ปวดมากเลยนะครั้งนั้นแล้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระดําริว่าการที่เราไม่บอกกล่าวกับผู้เป็นอุปทาษ ไม่บอกลาภิกษุทธิ์ทรงแล้วปรินิพานนั้นเป็นการไม่สมควรแก่เราหมายว่าถ้าพระองค์จะปรินิพานเลยก็ได้แต่ถ้าไม่บอกพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นเราควรจะขับไล่อาพาธ น, นี้ให้ถอยไปด้วยพระวิริยะแล้วอธิษฐานชีวิตสังขารดำรงอยู่ครั้งนั้นแล้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับไล่พระโรขาพาท น, นั้นให้ถอยไปด้วยพระวิริยะแล้วก็อธิษฐานชีวิตสังขารดำรงอยู่ ขั้นแล้วพระโรคาพาสนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สงบไปนะก็แสดงว่าเจ็บปวดมากเยนะคำว่าดำรงมรนันติกาเนี่ยเป็นความป่วยที่สามารถทำให้ตายได้ว่างั้นต่างตายหรือเป็นความเจ็บป่วยใกล้ต่อความตายบทว่าสโตสัมปชาโนอธิวาเสสิพระองค์นี้ทรงตั้งเอาไว้ด้วยตั้งไว้มั่นด้วย ญาณเนี่ยนะอดกลั้นตั้งสติไว้กําหนดไว้ด้วยปัญญาอย่างมั่นคงพันเวทนาเหล่านั้นจึงไม่ครอบงาจิตใจของพระองค์ได้บทว่าอาวิหันยามาโนได้แก่ไม่ทรงกระทําอาการกระสับกระส่ายโดยคล้อยตามเวทนาคือไม่ถูกเวทนาเบียดเบียนไม่ทรงทุกข์ร้อนเลยอดกลั้นเอาไว้ได้นะพระองค์อดกลั้นความเจ็บปวดเหล่านั้นเอาไว้ได้ บทว่าอนามันเตตะวาไม่ทรงบอกให้อุปถากรู้เนี่ยนะคือปกติเนี่ยพระองค์จะต้องบอกอุปถากรก่อนก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานเสร็จแล้ววิริเยนะเนี่ยที่บอกว่าอดกลั้นเนี่ยนะอดกลั้นนั้นด้วยความเพียร น, นะใช้วิริยะแล้วก็อธิษฐานชีวิตให้ดำรงอยู่วิริยะตัวนั้นเนี่ยหมายถึงความเพียรเบื้องต้นในการเจริญสมถวิปัสสนาทั้งหลายและ ความเพียรที่สัมปยุทธ์ด้วยอรหัตผลสมมาบัติหมายคำ ว, ว่าพระองค์เข้าอรหัตผลสมมาบัตินั่นเองแม้ชีวิตก็ชื่อว่าชีวิตสังขารชีวิตอันใดชีวิตอันทําใดปรุงแต่งถึงขาดกสส็สืบต่อตั้งอยู่แต่แม้ธรรมที่เป็นผลสมมาบัติก็ชื่อว่าชีวิตสังขารธรรมะคือผลสมาบัตินั้นท่านประสงค์เอาที่นี้พรพระองค์ก็เข้าพระสมมาบัติเพื่อให้ชีวิตเนี่ย ดำรงและก็สืบทอดต่อไปได้เนี่ยนะอาศัยจิตตระชรูปที่เกิดจากพระสมาบัตินี้เป็นเป็นตัวคำจุนให้ร่างกายเนี่ยดำรงต่อไปได้นั่นถ้าเป็นคนธรรมดาปกปติทั่วไปเนี่ยนะความเจ็บปวดขนาดนั้นก็ยังไงก็ตายเนี่ยนะแต่สําหรับพระองค์นั้นก็เข้าอารหัตผลสมาบัติเวทนาก็ไม่ครอบงำจิตตระชรูปที่เกิดจากอารหัตผลสมาบัติก็เป็นเหมือนกับยาเนี่ยมาหล่อเลี้ยงให้รูปเนี่ยดำรงต่อไปได้ แต่ถามว่าใจจริงนี่อยากอยู่ต่อไปไหมบอกไม่ต้องการอยู่โดยประการทั้งปวงแต่เนื่องจากว่าการอยู่ของพระองค์เนี่ยตลอดระยะเวลาสิเดือนเนี่ยนะแปเก้าเดือนสิเดือนก็ช่างเถอะหเดือนก็ช่างเถอะการอยู่ของพระองค์แม้แต่ชั่วโมงเดียวก็ชื่อว่าอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายสงเคราะห์แก่ชาวโลวกสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นพระองค์ก็อดกลั้นเวทนาเหล่านั้นคําว่าอดกลั้นเนี่ยไม่ได้ไหมายก็ว่า ทนท น, ท น, ท, น, ท, นทนไม่ใช่คือไม่เอาเรื่องเวทนานั้นมาเป็นที่หนักใจเนี่ยนะไม่เอาเรื่องเวทนามาเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคถ้าคนที่ความขาดความอดทนก็โอ๊ยปวดปวดปวดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าสําหรับพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาเวทนานั้นมาเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยนะแล้วทํำยังไงก็เข้าพละสมาบัติเอาอนุภาพแห่งพละสมาบัติเอารูปที่เกิดจากพละสมาบัติมาช่วยหลอเลี้ยงให้สรีระเนี่ยเป็นต่อไปได้ ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเข้าพระสมาบัติในก่อนแต่นี้หรือก่อนนี้พระองค์ไม่เข้าหรือยังไงสมาบัติต่อว่าเข้าสิแต่ว่าสมาบัตินั้นเป็นคณิกะสมาบัติเป็นสมาบัติเล็กน้อยเป็นสมาบัติที่เข้าว่าว่าแวบๆนะเข้าทีละสิบนาทีห้านาทียี่สิบนาทีเข้าไม่นานใช้เวลาไม่มาก เพราะเวลาที่เหลือส่วนมากของพระองค์ก็สงเคราะห์สาธงหลายแสดงธรรมสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพัะพระองค์ไม่มีเวลาเข้าสมาบัติมากจึงเป็นเพียงคณิกะสมาบัติสมาบัติชั่วคราวสมาบัติเล็กน้อยเนี่ยนะจริงอยู่คณิกะสมาบัตินั้นอะย่อมข่มเวทนาเฉพาะภายในสมาบัติได้ทีเดียวก็เหมือนว่าเจ็บปวดนะนะพอกินยานอนหลับก็หลับนะก็หลับก็ไม่ปวดบางกันเถอะตื่นมาก็ปวดต่อไกลแบบเนี้ยคณิกะสมาบัตินั้นก็เป็นอย่างนั้น พอออกจากสมาบัติเวทนาก็ครอบงําร่างกายได้อีกเหมือนสาหรายที่แหวกไว้ด้วยไม้หรือกระเบื้องตกลงไปเนี่ยนะเสร็จแล้วก็กลับครอบคลุมตามเดิมคือเวทนาเนี่ยมันยุบยับไปหมดเลยมันเหมือนอะไรเหมือนกับจอกเหมือนกับแหนถ้าใครแบบกรุงเทพเนี่ยจะมีแหนเยอะหน่อยนะตามคลองแหนมจะเยอะมากถ้าโยนก้อนหินโยนกระเบื้องลงไปนะจอมปับ๊บเดี๋ยวแหนมันก็แหวกนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็รวมกันแหวกนิดหนึ่งก็รวมกันเพราะอะไรเพราะไม่แหวกมากะนะ สมาบัติที่พระองค์เข้าอย่างรวดเร็วก็เหมือนการพระองค์ไม่ได้พิจารณาสังขารมากแต่ก็เข้าสมาบัติได้แต่ว่าพอออกจากสมาบัติก็เวทนาก็ะทุมทับอีกอันหนึ่งสมาบัติของผู้กระทําหมวดเจ็ดแห่งรูปและหมวดเจ็ดแห่งอรูปให้เป็นพุ่มนะให้หมดพุ่มหมดรกหมายความว่าเจริญเจริญอะไรเจริญ อ, อรูปหมวดเจ็ดแห่งรูปหรืออะไรนะรูปสัตการูปสัตกานะ ในถ้าใครที่เรียนวิสุทธิมัตปัญญานิเทศเรื่องอตรงสมมสนญญาเนี่ยนะรูปสัจะอรูปสัจจะที่เป็นเบื้องต้นแห่งอุทย พ, พยาญาณเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้าใจไม่ยากก็คือพิจารณาหมวดเจ็ดแห่งรูปเนี่ยนะหมวดเจ็ดแห่งรูปหมวดเจ็ดแห่งอารูปเนี่ยพิจารณาอย่างละเอียดยิบเลยเนี่ยนะด้วยอํานาจมหาวิปัสสนาอันนี้ชื่อว่าข่มไว้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเจริญอา น, นิจจังปั๊บแล้วเข้าพระสมาบัติไปเลยหรือทุกขังแล้วก็เข้า พระละสมาบัติไปเลยหรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าพระละสมาบัติไปเลยอันนี้มันเหมือนกับแหวกนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปได้เลยเนี่ยนะก็คือความชํานาญขนาดนั้นงนั้นตอนที่อยู่ในพระละสมาบัติก็ไม่เจ็บปวดแต่ออกจากพระละสมาบัติก็เจ็บปวดตามเดิมเนี่ยนะก็ขมได้ชั่วคราวขณะที่เข้าสมาบัติแต่ทีนี้พระองค์ก็ขมสมาบัติไม่ให้มันปวดมากทํำยังไงคะเนี่ยก็พิจารณารูปสัตตกะและอรูปสัตตกะเนี่ยนะพิจารณาเนี่ยนะ พิจารณารูปตามลําดับวัยพิจารณารูปนะตามลําดับวัยแล้วก็ตามอะไรทัศกะทั้งหลายก็มีการแบ่งทัศกะมีการหมวดจนถึงอาห า, ร า, ากรรมชรูปจิตมชยรูปอุตุชรูปอาหารชรูปธรรมดารูปว่าพิจารณาสังขารเสร็จแล้วก็พิจารณานามที่ไปพิจารณาอารูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาอย่างละเอียดยิบหมดเลยเสร็จแล้วก็เข้าสมาบัติเนี่ยนะ ทีนี้การเข้าสมาบัติแบบพิจารณารูปสัตตกะอรูปสัตตกะอย่างละเอียดนั้นเปรียบเหมือนสาหร่ายที่บุรุษเนี่ยลงไปในน้ําเอามือเอาเท้าแหวกออกไปให้มันไกลเลยนะแหวกให้มันไกลๆเลยเพราะเวลาที่แหวกไปมากเนี่ยสาหร่ายที่จะค่อยๆขยับตัวเข้ามาอีกก็ถือว่าใช้เวลานานฉันใดผู้ที่ออกจากสมาบัติที่ผ่านการพิจารณาก่อนหน้าจะเข้าสมาบัติด้วยการพิจารณารูปสัตตกะอรูปสัตตกะนั้นนะ่ะ ต่อนนานมากความเจ็บปวดจึงจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะตอนนานมากถ้าเปรียบเหมือนว่าความเจ็บปวดเหมือนกระจอกเหมือนกระแหนที่มันมารวมตัวกันเนี่ยนะนั้นถ้าแหวกออกไปดีก็นานกว่าจะปวดอีกครั้งหนึ่งนะ<ส>เพราะว่าสมาบัตเหล่านั้นเป็นเหมือนกับยาในการรักษาความเจ็บปวดหนักๆชนิดหนักๆไลาเจ็ดแปดเดือนอย่างเงี้ยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นเสมือนทรงตั้งวิปัสสนาใหม่เอี่ยม จเจริญวิปัสนาเหมือนกับจเจริญจะให้เป็นพระพุทธเจ้าคือเอาจริงเอาจังในการพิจารณาไข้ค ร, ครวนตื่นตัวเหมือนตอนที่ปฏิบัติให้เป็นพระพุทธเจ้าเอาจริงเอาจังขนาดนั้นอย่างนั้นก็เลยเราเหมือนตั้งวิปัสนาใหม่เอี่ยมณพระมหาโพธิ์ที่บรลลังใ น, น, นวันนั้นวันนั้นอะที่จะข่มเวทนาเพรารู้ว่าอีกแปดเดือนเก้าเดือนต่อไปเนี่ยนะที่เอาจริงเอาจังขนาดนั้นเหมือนจะปฏิบัติให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนี่ยนะ เพราะพระองค์นี่จมลงด้วยการทำอาการ14บ4ี่ก็คืออะไรมวดเจแห่งรูปรูปศัตกะกและอรูปศัตกะกไม่ทำให้เป็นพุ่มไม่ไม่ไ ม, ม, ม, มกองสุมสุมกองกองไม่ใช่นะมีการแจกทำให้ไม่รกแล้วทรงไม่เสวยเวทนาด้วยมหาวิปัสสนาเนี่ย น, นะแต่แล้วก็เข้าสมาบัติ ด, ด้วยประสงค์ว่าขอเวทนาอ ย, ยาเกิดตลอด10เดือนเนี่ย น, นะอธิษฐานอาศัยบาตแห่งการเจริญวิปัสสนาเพื่อเข้าพระสมาบัติ เป็นตัวสําคัญเพราะมีความต้องการว่าความเจ็บปวดนี่อย่าได้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสิบเดือนเวลาที่พระอ ง, งค์ทรงข่มสมาบัติเนี่ยนะข่มด้วยเวทนาด้วยอํานาจของสมาบัติเนี่ยเวทนานั้นไม่เกิดเลยอีกสิบเดือน น, นะไอความเจ็บปวดชนิดต่างายแบบนี้เนี่ยไม่เกิดเลยในระหว่างนั้นเวทนาที่ทรงข่มด้วยสมาบัติก็ไม่เกิดตลอดเวลานีนะแต่ขณะที่สมาบัติเข้าสมาบัติมันก็ไม่ปวดอยู่แล้วล่ะ แต่ว่าการข่มด้วยอำนาจพิจารณาเจริญวิปัสสนาเหมือนเจริญวิปัสสนาเพื่อให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะการเจริญวิปัสสนาชั้นสูงระดับนี้เนี่ยรักษาโรคได้มันใครที่จะตถาคตจะรักษาโรค ก, กายโรคใจเนี่ยนะรักษาอย่างละเอียดรักษาโรค ก, กายก็เจริญรูปสัตกะอรูปสักะให้เยี่ยมเลยนะหรือรักษาโรคใจก็รักษากิเลสได้เนี่ยนะมันก็รูปสักะอรูปสัตกะนั้นเป็นมวดธรรมที่ท่านสัมเสริมมาก รูปสัตตกะ ร, รูปสัตตกะแม้กระทั่งในนาวาสูตรเนี่ยในสังยุตติายขันธวารวักเนี่ยนะก็กล่าวถึงรูปสัตตกะ ร, รูปสัตตกะอีกหลายแห่งก็กล่าวถึงรูปสัตตกะและอรูปสัตตกะเพราะมีความสำคัญมากต่อการรักษาโรคด้วยต่อต่อการละ ก, กิเลส ท, ทั้งหลายด้วยในในข้อ ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหายจากพระประชวนนั้นแล้วพอพระองค์หายจากพระประชวนแล้วไม่นานพระองค์ก็เสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูเอาไว้ด้านที่ในร่มนะด้านหลังพระวิหารอหายป่วยใหม่ๆเนี่ยนะครั้งนั้นแลท่านพระนรนได้เข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งอยู่ณด้านหนึ่งท่านพระนรนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระสัมรารแล้วข้าพระองค์ได้เห็นความอดกลั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระเจ้าข้านะเห็นเห็นอะไรนะเห็นความก็ยังชั่วหน่อยนะเห็นความผาสุขเห็นความสุขของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ยนะเห็นความอดกลั้นความอดทนจริงๆของพระองค์เนี่ยนะ